บัดนี้ถึงเวลาที่เราจะได้ทำจิตวัดในภาคคำ่ำให้ทุกท่านเตรียมตัวนั่งคุกเขา่าประนมมือขึ้นเปิดหนังสือทำวัดสวดมนต์แปลไปที่หน้าสามสิบเอ็ดกล่าวคำบูชาคุนพระศรีรัตนตรยัยโดยพร้อมเพียงกัน อิมิาสกาเลนะพุทังปูเจมะ้าพเจ้าทั้งหลายหอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสะัลาะนี อิมินาส ก, กาเลนะทามังปูเชมาฮาพระเจ้าทั้งหลายโอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสะละนี้อิมินา เจมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระด้วยเครื่องสักการะนี้อะระหังสัมมาสัมพุทธ พ, พระขาวาปะราภูมิพระพระเจ้า เป่นพระอาหารหันดาเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ่งเชิงตรัสสารู้ชอบ พ, พระองค์เองพุทธังพระขวนานอภิวาทเทมิหาพระเจ้าอภิวาตพระภูมิ พระพากเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเกินสวานคาตัวพระขาวะธรรมโมปราธรรมที่พระผู้มีพระพากเจ้า ตรไว้ดีแล้วธรามามาสการพระธรรมก ร, ราบพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจา้าคือสุปฏิปานโนระขาวะวาะกะสังโฆพระสง ของพระภูมิพระพาคเจ้าปฏิบัติดีและสร้างข้างน้มามีพระพระเจ้าพระสงฆ์กราบพระสงฆ์เป็นตีพึ่งของข้าพเจ้าคือหันทรรมยังพุทธัสสะะคะวะโต บุภาภาขนามกาลังกะโลมาเสนาโมตัสภาคาวตุหอนอบน้มมีพะภาพเจ้าพระองค์นันอาลาหะโต ธรตสาตราสรู้ชอบโดยพระองค์เองนามโอพระขาวโตโหอนบน้มพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาละหะโตซึ่งเป็น กิเลสสามมาสามพโพธัสตราจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน ะ, ะโออนนมพระขาวะโตหอนอบน้อมผู้มีพระภาคเจ้าะลาองค์นั้น อาลหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลมาสามโพุทธัตตรัสรู้พระองค์เองอันธมยังพุทธานุสติณยังกะโลมะเส ต่างโคณปณนภคะวันเอวังกันลยาติกิตติสัตโตอภพคะโตก็เกียรติศักด์อันงามพระผู้มีพระภาคเจ้า น, านั้นได้ฟุ่งอย่างนิวา อิติปิโสภะขาวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มมีพระภาคเจ้านาั้นอาลางเป็นผู้กิเลสสามมาสามพุทโทเป็นผู้ตรัสรู้ชอบ โดยพระองค์เองวิชาจลรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยและจารณะสุขโตเป็นผู้ไป เป็นผู้ลูโลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรอะโพ ร, ริสธรรามลทธิเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งฝ่าสาธาเทวมนุษยานา เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้พูดผู้เบิกบานด้วยธรรมอาคาวาติเป็นผู้าจาเลินจามทำสั่งสอนสัตว์ ดังนี้อันธมยังพุท ธ, ธาพิกิติงกะโรมาเสพุท ธ, ธาวาลาาันพิคุณาพิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ มีความประเสริฐแห่งอะลาหันตะเป็นตน้นสุธาพิญานการุณีสมมาคตาโตมีพระองค์อันประกอบพญ า, านและอันบริสุทธ โอเทอสิโยสุชนตังกรรวะสุโรราองไดทรงทำชนที่ให้เบิกบานดูดาทามบวัวให้บานวานธามมาหังตามละนังจิระจิเนนทาง อาปะจาวายพระจินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นานด้วยเสียนกล่าวพูโทวยวสาปปาานิสารานังเขมมุตตังพระพุทธเจ้าพระองค์ได เป็นสารณอันกเกษมสูงสุดสัตว์ทั้งหลายปัตมานุสสติถานังวังธรรมิตังสิเร้างอาปจาว้พระพุทธพระองค์นั้นนั้นเป็นที่ แห่งความละลึกองค์ที่ด้วยเสียนก่าวพุทธาสาหัสสมิาทางปุถุโทเมสามิกิสสโรหาพระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธ เป็นนายมีอิสระเนื้อพระเจ้าพูท้ทวทุกข์าสักขาเ <ตา S 2> จาวาิทาต า, าหิตาสมัมเเอระพุทธเจ้าเป็นจัดทุกและส่งไว้ประโยชน์แกข่ข้าพระเจ้า พุทธตาสาหนิยานมิสาลิรันชีวิตันจิทางอาภเจ้ามอบกายเทาวายนิแดพระพุทธเจ้าวานทานโตจรีตสามีพุทธาวาสัสสโพธิตัง พระพเจ้าผู้ว่ายจะประพฤติตามซึ่งาพาะสรุรีจรของพระพุทธเจ้านาทิเมสารนางอัญยางพุทธโทเมรสระวารางสลานาอื่นของพระเจ้าไม่มี พระราพุทธเจ้าเป็นจรณะอันเสรข้าพระเจ้าเอเตนสัสาจวัฒเชนวัฒสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญ ศา ส, สนาของพระศาสดาพุทธทางเมวันนัย่ังปุญ่ังปัสตังอิทัคอาภเจ้าผู้วายอยู่ซึ่งพระพุทธได้ฝันฝายบุญในบัดนี้ซาเพปิอัน เมมาเหสุงตาสเตชะสาอันตารายทางปวงอยาได้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนานมอบลงว่ากายเยนวายยาวเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจา ดีพุทธกุกรรมังปะกตังม่ยายังกรรมนาติเตียนอันใดพรเจ้ากร ะ, กะทำแล้ ว, ร พ, าาว พ, รจจพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอจัยันตังอภิษฐธ ซึ่งโทษลวงเกินอันนานการตะเรวริตุงวะพุทธเทเพื่อการสำรวมพระพุทธเจ้าในต่อไปหันธรรมยังธรรมานุสติณยังกะโลมะเส สวัสพระคาวตาธรรมโมพระราธามเป็นสิ่งที่พระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสานทิฏโกเป็นสิ่งที่ศึกษาและปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งกาบผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถอ โอปนญิโกเป็นสิ่งที่ควรเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาบวินโยหิตีเป็นสิ่งก็รู้ได้ดังนี้ อันธมยังธรรมาพิกิติงกะโรมาเซสาวากาตทิคุณโยขาวะเสนาไซโยปราธรรมเป็นที่ประเสริฐประกอบด้วยคุณ อาภเจ้าดีแล้วเป็นตนโยมคาปากาปริยติวิวกะเพทโทเป็นธรรมันเป็นมากผลปริยัตและนิพพานธรรมโมกุโรกปปตนา เป็นธรรมทรงไว้จากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมมาหังตามหาลังพระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัด ท่า ม, มืดท่มโมโยซาปปานินางสาลนางมามมตตามังพระรามใดเป็นสลณนอันสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุทยติยนุสติ วันธามิตังสิเลนามอาปจาวายพระธรรมนานอันเป็นที่ตั้งแห่งลาลงคงที่ด้วยเสียนเกลธรรมมาสาหัสสมิทาธรรมโมเมสามิกมิสาโล อาปเจ้าเป็นของพระธรรมพระธรรมเป็นมีอิจราเนือ้อค้าประเจ้าธามมโมทุกขดสัตวิทาตาจหิตัดสะเเพระธรรมเป็นเครื่องกรรมจัดโท และส่งไว้ซึ่งประโยชน์ท้ารรมมาสังนิยเทมิสาลิรันวิตานจิทังหาพระเจ้ามอบกายชีวิตนี้แด่พระธรรมวานทานโต จาริตสามีธรรมะวาสุธรรมาตังหาพระเจ้าผู้ว่า้จะประพฤติตามซึ่งความดีของพระธรรมนาทิเมสรานางอันยังโมเมสรานางวาราง สารณะอื่นคข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐข้าพะเจ้าเอเตนะสัตวจาวัดเชนวัดสาธุสาสเน่ด้วยการกล่าวคำสัตวนี้ อาพระเจ้าพึงเจริญศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันนอย่ังปุอยังปะสุตังอิทาอาพระเจ้าผู้ว่ว้ซึ่งพระธรรมได้ฝันฝายบุญในบัดนี้ ซ า, าเปีันซาเตชะสาอนตารายตังปวงด้วยเดชแห่งบุญนานมอบลงว่ากายเยนาวาจายวัตตาสาวา ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยก็ดีธรรมเมกุกรรมมังปกตังมายายังกรรมนาติเตียนอันใดกระทาแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันตุอจจยานตัง ขอพระธรรมจึงโทษล่วงเกินอันนา้กาลันตะเรสังวรลิตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมละวังในการต่อไปหันธรมยังสังคานุสติ นายังกะโรมาเซสุปฏิปันภะข่าวตัวว่ากะสังโฆปัติบาต อุปปิปันโนภะคะวะโตวักกะสังโฆสงสารโวภูมิภพภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัตตรงแล้วยะยะปปิปันโนภะคะวะโตวักกะสังโฆ ทรงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้ า, าหมูใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นออกจากทุกข์และสามีจิตปฏิปันโนภะขาวะตัววากะสังโฆทรงสาวกของพระภูมิ พระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติย่าธททางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจตตาลิปุริสยุนิอตัตตปุริสัปุคาลาผู้แห่งบุรุษสีโค นาเปรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาพระขาวตัวกะสังโคนานะสงสาวกภูมิะภากจ า, าอาหุไนยโยเป็นสงส ก, การที นามาบูชาปางนายโยเป็นทรงสักการะที่เขาจัดไว้ตอนรับทักขินยโยเป็นผู้ควรรับสีนาทานอัญชริการณิโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วตามอัญชาดีอนุตตารางปุญเกตังโลกาสาตติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนามดังนี้ อันทะแมยังสังคาพิกิติงกะโรมเสสัตถามสุปฏิปัฏิคุณาติยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดพระสัตธามประกอบด้วยมีความปฏิบัติดีเป็นต้น โยทัปปิโทอริยปุฆะละคาเสตโทเป็นหมู่แห่งปาริยบุคคลประเสริฐแปดจำพวกศีลาธรรมมปาวลาสยานญาจิตโตมีกายและจิตอัน เป็นตน้นอนานบวรวานธาห้างตามารี น, นาคานังสุดสุดทางอาป้าไวอดียะเจ้าเหล่านั้นอานบริสุดด้วยดีสร้างโคโยน ป, ปปานีนางสารานัง มะมมุตตมังพระสงหมูไดเป็นอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสติตานางวันมิตังสิเลนังอาภเจ้าวายพระมู น, นัม อานเป็นที่<า>แห่งความละลึกองค์ที่<า>้วยเสียงกส้สร้างคาสาหัสสามิทาสร้างคโคเมสามิกิจสโรอาภะเจ้าเป็นของพระสงฆ์พระ พระเจ้าสร้งางครัวทุกขาสขาัคาเจ้าวิธาตาชหิตาสมัมเเม่พระประสงเป็นการจาดทุกและส่งไว้ประโยชน์แก่ขา้าพระเจ้า วิตังจิตังข้าพเจ้ามอบ ก, กายนี้แด่พระสงฆ์วานทันจริสาเมโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหวประพุทธตามซึ่งความ ดีของพระสงฆ์นาติเมสลานังอันสังโฆเมสลานังวารงสาร า, านาอื่นมีพระสงฆ์เป็นสาราอันประเสริฐข้าพระเจ้า เอเตนะสัจจวัเชนวัตสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้หาพระเจ้าพึงเจรรนในศาสนาของพระสดาสังขางเมวัน นยยังบุญยังปะสุตังอิทาอาภะเจ้าซึ่งพระสง์ได้ฝันฝายบุญบัดนี้เฮทรงตัดสตชาสาอันตรายทาั้งปวง ด้วยเดชแห่งบุญนานหมอบลงว่ากายเยนวาเ ย, ยาวเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวายก็ดีด้วยก็ดีสังเคกุกรรมปกตะมัะะมายายัง กามนาติเตียนอันใดพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สร้างโคปติคันหัตุอัจจิยานตังหอพระสงฆ์โจงงด่วงเกินอันนานการวาลิตุงวะสังเค เพื่อการสำรวมรล่าวังต่อไปนั่งพับเพียบลงเปิดไปที่หน้าห้าสิบเจ็ดสวดมนต์บทพิเศษบางบทหันธมยังพารสุตคาทาโย พาณามเสเาลาหาเวปันขันธาขันธทางฮาเป็นของหนักเนอพาลาหารยจับปุกคโรบุคคลแหละแบกของหนัก้าไป พาลาทานังทุกขังโลกเกการแบกตือของหนักเป็นความในโลกพาลานิเคปนังสุขังการสลัดหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิขิปิตวาคารุงพาลัง ปาลิยาเจ้าสลัดทิ้งของลงเสียแล้วอันยังต่างไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันขึ้นมาอีกสามูลังตันหางอไปอ ย, ยาหญาาก็เป็นพูด ตัณหาคืนได้กระทางลานิชชาตปรินิพุตโตเป็นผู้หมดสิ่งปรานาไม่มีส่วนเหลือหน้าหกสิบเอ็ดหันธมยังโอวาทปาติโมคขะค า, าทายโย ปานามาเสสสัพพาปาปัดอักการนังการไม่ทำบาปตั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจิตตะปลิโยทัปปานัง การชาละจิตตองให้ขาวรอเอตังพุทธานศสาสนงางทำสามอย่างนี้เป็นสังสอนของพระพุทธทั้งหลายหันตีปละมังตะปวนติฆา การติคืออดกล้นเป็นธรรมนิพพานังทิพุทธาผู้รู้ท้งหลายกล่าวปานิพาน นายปป่าิตโตประรูปะคาติผู้กรรมจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นป่ชิชตเลยสามโนวหวติปารางวิทยานโตอูตามสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อ สัมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดลายการไม่ทำลายปาติโมเคจะสังวารการสามรวมในมาตัญยุตจะพัตตสมิง ความเป็นผู้รูปมาณการบริโภคปานตันจะสยนาสนาการนอนในที่อันสงัดอาทิจิตเตจายโยโคความมันประกอบ เอตังพุทธานสาสนังธรรมเป็นคำสั่งสอนตาเจ้าทั้งหลายอันธทมยังปัธรมะพุทธภาษิตาคาทายโยภาามะซเส อเนกชาติสังสาราังทวิสังอเิปิสังเมื่อเราอย่างไม่พบญา่าได้แร่นท่องเที่ยวทรงสารเป็นอเนกชาติ ขาเวสันตัวทุกขาชาติปุนับปุนังสแสวงหาอยู่ในช่างปลูกเลือนสร้างภพการเกิดทุกคราวเป็นทุกรำไปหาหากาละกะักติโทสิปุนาเค นาคาสนี่เนี่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จากเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้ไม่ได้อีกต่อไปสาพาเตสุกาภัก ข, า, ข า, ากุตังวิคาตังโกรงเรือนทั้งหมด เราหักเสียแล้วยอดเลือนเราก็ลือเสียแล้ววิสังขารละาตุจิตตังนังไยมัจฉาจิตของเราถึงแล้วสภาพที่อะไรปรุงแต่ง ถึงแล้วซึ่งความสิ้นแห่งตัณหาคือถึงนิพพานอันธทมยังปัจจิมะพุทโวาทปาทังธนามาเซออันทธานิพิกาเวมันตาญานิโวดู ที่ส่ทั้งหลายนี่เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมสังฆาลาสังขานทั้งหลายมีเสื่อมไปเป็นธรรมดา ทั้งหลายไม่ประมาทในถึงพร้อมเถิดอาหยังตทาคตัสปัจพิมาวาจาของพระตถาคตเจ้าพิจารณาสังขาร ว่าชาช้าพอดีพอดีสัพเพสังขาราอนิจจารสังขารคือกายจิตใจและรูปธรรมนามทั้งหมดทั้งสิ้นมันเที่ยงเกิดขึ้นดับ ไปมีแล้วหายไปสาเพสลายทุกข์าสร้างขานร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามตั้งหมดทัางสิ้นมันทนยากพราเกิดขึ้นและ แกเจ็บตายไปสาเพออนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทางที่เป็นสังขารมีใช่สังขารหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ไม่ใช่ตน ว่าของเราว่าตัวว่าของเราอาตุวางชีวิตต่างชีวิตไม่ยั่งยืนตุวางมาละนางความของยังยืนอาวาดสังไม่ยามมาิตาพัง อันเราจะปึงตายเป็นแท้มาลณะปาริโยนางเมจีวิตตังตตของเราความตายเป็นสุดลอบชีวิตตา่างอเนยต่างชีวิต เ, เป็นของไม่เที่ยง มาลนานเมนิยตังความตายของเราของเทงวัตตาควรที่จะสังเวทอาญากายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ เบตาวิญญาโนอนปราศจากวิญญาณชุตโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสติจากนอนทับป่าเทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงขาลังอิวา ระดุดดังว่าทอนและทอนฟืนนิราทางหาประโยชน์มิได้เปิดกลับมาที่หน้าสี่สิบห้าดวดน้ำตอนเย็นหันธมยังอุทิศนาทิธานคาทายโยภาณามาเส อิมินาบุญกาเมนาด้วยบุญอุทิศให้อุปัชฌายาโุนุตอุปัชชาผู้ฤิศคุณอาจาริโยปกาลาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุน ตาพิตาใจญาติกาห่างพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันติมาลาชาสุนจันและราชาอูนาวันนราปิชาสงชาติพรามามั ชาอินทาชาโอมนะอินนโลกาาลาชาเตียทางตุ้ยเทพไมตามนุษย์โยมมาลาดมนุษย์มิตรมชตาเวริกาปิจา เป็นกลางผู้จองผานสุขิอนตุขอให้เป็นสุขสารทุกอย่าทุกข์ทนปุญญาณิปกตานิเมบุญผองนุยสุปปภน สุขังจาติวิถทางเทนโตให้สุขสามอย่างโลนอิปปังปาเปตโอมตตังให้รู้ถึงนิพพานผ่านอิมินาปุญญากาเมนาด้วยบุญนี้ อิมินาอุทิเซนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์หิบปาหังสุราเพียงเราพัานได้ซึ่งการตัดตานุปาทานเชตนางตัวตันหาอุปาทาน เยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพพานโตมมังนาสันตุสัพบเยวะมาลายสิ้นจากสันดาน ยถายาตัวเพเวเพเวทูกถูกพบที่เราสติปัญญามีจิตตรงและสติอันประเสริฐสารเล่โควิญญาณมีนาพร้อมตังความเปลี่ยนเลิศเป็น พูดกิเลสหายมาลารรพันตุโนโกาสกาาร้า ง, งแกมูมานสินทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุมเมเพรตสลายความเพียรจม พุทธาทิวโรนโทปาปุตผุปลนาธามโมนาวรุรตัมโมปราธรรมทิมาโทปเจกะพุทโฉจาปราปเจกะพุทธโสม โารมมังโทปาสงเทพึงไปยองถบมานุภาเวนะอนุภาพนานกาสังลันตุมามูมานยาได้ช่องทัศปุญญานุภาเวนะ ด้วยเดชบุญทั้งสิบปองลาพันตุมาโอกาสแจกมานเธอ